เมื่อเข้าสมาธิแล้วก็จะทรงมองเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างพร้อมทั้งรูปร่างของบุคคลและสถานที่หรืออีกในหนึ่งการระลึกได้เช่นนี้ก็เหมือนกับคนที่มีสมาธิดีถึงขั้นอปปนาสมาธิซึ่งเมื่อต้องการจะเห็นภาพอะไรภาพนั้นจะปรากฏชัดแต่ต้องเป็นภาพที่เคยเห็นและจำได้แม่นยา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 คือระเลกได้ทั้งของโองเองและของคนอื่นด้วยและเพื่อต้องการที่จะให้ได้ทราบถึงทฤษฎีตามหลักในพระไตรปิฎกว่ามีอยู่อย่างไรข้าพเจ้าจึงขอคัดข้อความตอนหนึ่งในสามัญญผลลสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงผลแห่งการปฏิบัติธรรมของภิกษุให้พระเจ้าอาชาติศัตรูฟังดังนี้ พิสุนานเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ข่องแท้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วเมื่อน้มน้อมผิดไปเพื่อบูเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เปน็นน้นมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้าง สชาติบ้าง4ี่ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20สบชาติบ้าง30บชาติบ้าง40สชาติบ้าง50ชาติบ้างร้อชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกรรเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกรรอันมากบ้าง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 เราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นเราได้จากแม้บ้านนั้นไปยังบ้านโน้นแม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้น แล้วเรากลับจากบ้านนานมาสู่บ้านของตนตามเดิมดังนี้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั่นแหลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ข่องแจ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรใจกลางตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เมื่อน้อมน้อมจิตใจเพื่อบุเพนิวาสานุสติยาน เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นนานมากคือระลึกได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นนานมากพร้อมทั้งอาการพร้อม ท, อทธธั้งอุเทศด้วยประการเชนนี้ข้อความที่กล่าวมานี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงพิสูจนที่ปฏิบัติในทางสมาธิจงกระทั่งได้ถึงขั้นจตุตฌาน ซึ่งเมื่อได้ฌานขัน้นนี้จิตก็จะบริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวครั้นแล้วเมื่อตั้งใจที่จะระลึกถึงชาติไหนในอดีตก็สามารถที่จะรึกชาตินั้นได้ส่วนหลักฐานในพระไตรปิฎกที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงพระองค์เองว่าก็ทรงทำได้อย่างเดียวกันก็มีอยู่หลายแห่งเช่น ในมหาสีหนาฏสูตรมีข้อความว่าดูกระสารรบุตรอีกประการหนึ่งสถาคตย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นนันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสมชาติบ้างสี่ชาติบ้าง5ชาติบ้างส0ชาติบ้าง20บชาติบ้าง30สชาติบ้าง4ี่สชาติบ้าง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 เสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากพบนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพนโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นครั้นจุติจากพบนั้นแล้ว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 หลักฐานในเรื่องนี้ถ้าหากจะนำมาอ้านแล้วก็ยังมีมากมายแต่เห็นว่าไม่จำเป็นทราบเพียงแค่นี้ก็พอแล้วเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงสา ม, มารถระลึกชาติได้และการระลึกชาติได้นั้นได้ช่วยพระองค์ทราบถึงเบื้องหลังของบุคคลที่จะสอนได้เป็นอย่างดี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 วิธีการแบบพระพุทธเจ้ า, านี้น่าจะมีการส่งเสริมเพราะอย่างน้อยถ้าเราฝึกสมาธิให้กับเด็กก็จะทําให้เด็กมีความจำดีขึ้นและอีกในหนึ่งถ้าหากเราหมั่นนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วสารวจถึงความประพฤติหรือความเป็นมาของเราในอดีตหรือเสมอก็จะทําให้เรารู้จักตัวเองดีขึ้น